นั้นแต่ธานุวัติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธิกะมโนทวารวิถีนั้นเพราะมโนทวารวิถีเหล่านี้เกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีเกิดต่อจากจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานาทวารวิถีชิวหาทวารวิถีหรือกายทวารวิถีทีนี้ในวิถีเหล่านี้ที่เราดูกันแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่น อตีตักข้าหน้าวิถีเนี่ยหกประเภทเนี่ยเห็นไหมอตีตักขาหน้าวิถีหประเภทในอตีตักข้าหน้าวิถีทั้งหกประเภทกหก ป, ประเภทนี่เขานับยังไงที่จริงอ่ะดูเอาออตีตักข้าหน้าวิถีห้าประเภทในที่นี้ก็เขียนห้าประเภทกันนะแต่อย่างละห้าประเภทก่อ น, น, อนในย้อนมาดูหน่อยกามะตักกามะตัทะเออภาพนะ ภาพแตธาณวัติกามโนทวรารวิถีสิบหกประเภทที่เกิดขึ้นต่อจากจักขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีแตธาลมนวะละหรือมหันตารมวิถีชาวนาวาละเกิดต่อจากทางจักขุทวาริกะอติมหันตารมกับจักขุทวาริกะมหันตารม์ท่านเลยจัดได้สิบหกใช่ไหมได้สิบหกได้สิบหกคือในจุดของอย่างในวิถีประเภทแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็น กา마ชาวนะยีบเจ็ดเว้นโทสาสองใช่ไหมอตีตากนาวิถีประเภทที่หนึ่งเนี่ยตถาลำนาจิตสิบเอ็ดตรงนี้นะในวิถีประเภทแรกเนี่ยถามว่าถามว่าในในประเภทแรกถ้าถามว่าเกิดขึ้นกับบุคคลได้เท่าไหร่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยอตีตากะวิถีเนี่ยก็ต้องดูนะว่าในกามผวังสิบเนี่ยนะกามผวังสิบนั้นบ่งบอกถึงว่า เกิดได้ในกาเมภูมิ11ใช่ไหมมีนะกามภูมิ11ถ้าว่าโดยบุคคลล่ะกามชาณนยี่สเว้นโทวศาสสคือบุคคล8ใช่ไหมพุทุชน4อริยะผลบุคคลสอริยะบุคคลเลยนะมีพระรหันด้วยนะเนี่ยถ้าว่าโดยภูมิก็คือกาเมสุขไม่ใช่กาเมภูมิ11อบา ย, ยะภูมิ4กามสุขติภูมิ7ถ้าว่าโดยองค์ธรรมปรมัตล่ะพระวังก็คือกาเมพวังสิบใช่ไหม หน้าและหลังอ่ะแล้วก็มโนทวารวชนะหนึ่งกามชาะายิบเจ็เว้นโทสาสองตถารรมนะได้สบอสิบเอนั้นเป็นไปตามรูปารมณ์ถ้ารูปารมณ์สามชนิดนี่ในในรูปารมณ์สามชนิดที่เกิดขึ้นในจักรคูทวาริการติมันตรมวิถีหรือมันตรรมวิถีอ่ะก็จะตถารรมนาที่เกิดในตีตักขันวิถีที่รับอดีตรูปารมณ์นี่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้สิบเอ็ด นี่คือประเภทแรกทีนี้ถ้าว่าโดยผวังแรกผวังหลังคขารับอะไรเป็นอารมณ์รับกรรมาอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์วิถีทั้งหมดน่ยวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีเนี่ยมีอะไรมีอติอิทธารูปารมณ์มีรูปารมณ์ที่เป็นอติอิทธารูปอารมณ์ที่เป็นอิทธามัชชะตาหรือรูปารมณ์ที่เป็นอนิธารูปารมณ์ที่เป็น อดีตที่เป็นอดีตนะคือรูปารมณ์ที่ที่เลิศที่ดีธรรมดาหรือที่ไม่ดีที่เคยปรากฏมาแล้วเป็นอารมณ์ต้องเป็งนงั้นใช่ไหมต้องเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่ย้อมถูวแยกออกไหเนี่ยในวิถีเนี่ยทีนี้ทว่าโดยวัตถุหรอผวังแรกและภวังหลังวิถีจิตทั้งหมดอาศัยอะไรเกิดอาศัยหัตถยะวัตถุเกิดนี่ไป น, นี้ดูประเภทที่สองเนี่ยดูวิถีประเภทที่สองประเภทที่สองว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหร่ โทสนะัตชวนาได้บุคคลหกปุถุชนสี่อายผลบุคคลเบื้องต่ําเบื้องต่ำนั่นแหละเบื้องต่ำสองเว้นเว้นพระนาคาและพระอาหารหันต์นี่ประเภทที่สองนี่นะในหน้าที่สิบเจ็ดเนี่ยพระนาคาพระอรหันต์ทำไมเกิดไม่ได้เพราะโทสัตชวนะเนี่ยนี่ลักษณะเช่นเนี้ถ้าว่าโดยวิถีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอตีตักขัทวิถีประเภทที่สองดูประเภทค่อยออกด้วยนะทีนี้ ถ้าว่าได้ภูมิล่ะโทสะาชาวนาะควรจะได้ภูมิไหนการมาผวังสิบก็กามาภูมิสิบเอ็ดอยู่แล้วโทสะชาวนาก็อยู่ในกามาภูมิก็เหมาะสมกันดีเจ้าแม่ใจว่าโดยองค์ธรรมปรมาภวังแรกภวังหลังคือการมาผวังสิบแล้วแต่บุคคลนะวิถีจิตได้แก่มโนทวารวชนะจิตหนึ่งโทสะชาวนาะแล้วก็อุเบกขาตถารมณานะหกหกนั่นคืออุเบกขาสันติรณจิตสอง มหาวิบากอุเบกขาสีแสดงว่าวิถีจิตนี้รับอารมณ์ได้กี่อารมณ์เนี่ยอารมณ์ได้เท่าไหร่ได้สองคืออารมณ์ที่เป็นอิทธมะมัชตะตาก็ต้องอกรูปารมณ์ที่เป็นอิทธมะมัชตะตาละรูปารมณ์ที่เป็นอนิธะใช่ไหม เน่ว่าโดยอารมณ์ผวังแรกผวังหลังก็มีอารมณ์เดียวกันกับอตีตคณาวิถีเนเพศที่หนึ่งนั่นแหละมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดมันดารอารมณ์หที่ตัวที่เรียกว่ากรรมกรรมนิมิตกตินิมิต ท, ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ส่วนวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้มีอติวิถีนี้มีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยอิธธรมชตะเรือนิฐาที่เป็นอดีตหรือรูปอารมณ์ที่ดีธรรมดาหรือไม่ดีที่เคยปรากฏแล้วเป็นอารมณ์หนึ่ง อันี้เป็นวิถีอะไรเนี่ยเป็นอติวิภูตารลมวิถีหรือวิภูตารมวิถีอติวิภูตารมวิถีเป็นอติวิภูตารมนะวิถีแยกให้ออกนะเอาว่าโดยว่าโดยวัตถุก็อาศัยหัตยวัตถุเกิดนะเอาต่อไปวิถีประเภทที่สประเภทที่3ามว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหร่กามชนาหยิบเจดเว้นโทสะรูปผวังห้ากาเมผวัง นะเกิดได้ในปุคคลเท่าไรเนี่ยประเภทที่สามเนี่ยในนี้เป็นวิถีรวมนะเนี่ยเป็นวิถีรวมไม่ได้แยกออกถ้าแยกออกเป็นหกประเภทได้เลยนะนี่เขาไม่แยกออกที่นะจริงๆต้องแยกเลนะี <c oughs> แต่ในนี้ไม่แยกไม่แยกเลยรวมกองกันไว้นี่กามาผวังสิบกับรูปผวังห้าจริงจรงควรแยกไหมไม่แยกนะรวมเลยนะเ่ยารวมก็รวม พอรวมแล้วมันจะได้ภูมิขึ้นเยอะเลยใเนีหยเกิดในรู ป, ปรภูมิสิบห้าด้วยในกามรมาภูมิอีกสิบเอ็ดด้วยเวนอสัญญาทว่าโดยบุคคลก็ได้บุคคลเท่าไหร่เนี่ย เป็นบุคคล8เลยถ้าหากเป็นรูปผวังห้าจะเหลือบุคคลหนี่เปอร์เอินไม่ใช่ยังว่าโดยอารมณ์หรือว่าโดยองคธรรมปรามตสกระรูปผวังห้าแล้วก็การมาวังสิบมโนทวารวชนะจิตหนึ่งกามาชาวนะ27เว้นทัวศาสสองก็ลงด้วยรูปผวังห้ากามาวังอีกทีนี้ว่าโดยอารมณ์นี่ต้องแยกกันแล้วนะผวังหน้าและผวังหลังแยกนะถ้าผวังหน้าและภวังหลังที่เป็นการมาวังสิบก็รับอารมณ์อย่างที่ว่ามานั่นแหละ อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในบรรดาอารมณ์หกที่รับมาแล้วจากพบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรูปภวังห้ารับอะไรเป็นอารมณ์รับอะไรยังไงรูปภวังห้าจะรับอะไรเป็นอารมณ์มาภวังหน้าและหลังมีบัญญัติธรรมอารมณ์ที่เป็นกรรมนิมิตอันเนื่องด้วยกรรมฐานเท่าไหร่ยี่สิบหกอย่างกสินสิบอสุภาษิตโกฏิถาบัญญตัติอาณาปณนะบัญญัติหนึ่งสัตว์บัญญัติอีกสี่ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายนั่นแหละเป็นอารมณ์วิถีจิตในวิถีนี้ ที่เกิดต่อจากจากักรุธวาริกาี่มันตรมวิถีเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นอติวิภูตารมณ์ที่เป็นอติท่าติอิทามชตะเรื่องนิทารูปอารมณ์ที่เป็นอดีตคือรูปอารมณ์ที่ดีเลือดดีธรรมดาหรือไม่ดีที่เคยปรากฏมาแล้วแต่ถ้าเกิดต่อจากจักขคุธวาริกามันตารมวิถีอ่ะก็มีอารมณ์ที่เป็นวิภูตารลมเหนือถ้าเกิดต่อจากอติมะจจักขคุธวาริกะอติมันตารมวิถีอารมณ์นั้นเป็น อารมณ์นั้นเป็นอะไรมีอารมณ์ที่เป็นโยมไม่เข้าใจเลยถ้าหากวิถีจิตนี้เกิดต่อจากจากขูทวาริกะอาติมหันตารมณวิถีอารมณ์น่ยต้องเป็นอะไรต้องเป็นประเภ ท, ทอะไรประเภ ท, ทอติวิภูตารมณ์นต้องเป็นประเภ ท, ทอติวิภูตารมณ์ถ้าหากเกิดต่อจากมาหันตารมณ์วิถีอารมณ์นั้นต้องเป็นประเภ ท, ทวิภูตารมณ์มัเข้าใจใช่ไหม เข้าใจอารมณ์น่ะเป็นอติวิภูตารล์วิถีเป็นอติวิภูตารล์วิถีแต่อติวิภูตารลมนั้นมาแยกเป็นสองอย่างแยกเป็นอติสามอย่างเป็นอติอิทธารูปารลมอติอิทธามชัตตารลมเออไม่ใช่อิธามชัตตารูปารล์แล้วก็ น, นิธารูปารล์นี่เป็นอย่างนี้เรียนตัวใตามทันไหมเนี่ยทันไม่ทันทันไห ม, ไหมยังมองมองอยู่ใช่ไหมก็วิถีนี้เป็นวิถีอะไรอ่ะ ถ้าเกิดต่อจากจากักรปูวาริกาอติมันตารมวิถีเป็นวิถีอะไรเป็นอติวิภูตารมวิถีถ้ารูปารมที่มาปรากฏนั้นน่ะรูปารมสามประเภทนี่นะที่ดียิ่งดีป็นกลางหรือไม่ดีเนี่ยรูปารมประเภทนั้นเรียกว่ารูปารมอะไรก็ต้องเรียกว่าอติวิภูตารมอติวิภูตารมเนี่ยคือรูปารมนั้นชื่อทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะเป็นรูปารมที่แรงและรูปารมนั้นชัด รูปารมณ์นั้นชัดมากนะใช่ไหอารมณ์ที่ปรากฏทางใจชัดมากที่สุดเนี่ยเป็นอติวิภูตารมรูปารมณ์นั้นมาปรากฏทางใจเนี่ยชัดมากที่สุดเลยกลายเป็นอติวิภูตารมแต่ถ้ารูปารมณ์นั้นมาปรากฏทางใจชัดชัดมากแต่ไม่ที่สุดนอันนี้เป็นวิภูตารมแต่ในจำนวนอติวิภูตารมหรือวิภูตารมนั้นแยกเป็นกี่ชนิดกี่สภาวะสามสภาวะอติอิทธะ อิทธาหัชตะแล้วก็อมิทะนีน่แยกอย่างนี้แม้จะทําความเข้าใจอะไรแต่ละอย่างก็กินยั้งกั น, กนเนะื้อทีนี้ถ้าเกิดต่อจากมหานตารมิถีก็อารมณ์ก็เป็นนิพูตารมณ์ปะ่ะมต่อไปประเภทที่4ประเภทที่4ี่ท่านในประเภทที่4เนี่ยว่าดวได้บุคคลได้อยู่คนเท่าไหร่เนี่ยโทสะเชี่ยวนะนี่ดูบุคคลดูที่โทสะเออดูที่เชวนะได้บุคคลหกปุตุชนสี ทุกขติเหตุกบุคคลสุขติเหตุุกบุคคลทวีเหตุุกบุคคลติเหตุุกบุตรชนเนี่ยแล้วก็โสดาบันบุคคลสกทาคามีบุคคลได้อริยผลเบื้องต่ํา2รวมเป็น6ว่าได้ภูมิก็นั่นไงกามอุเบขาผะวังหกอะไรเนี่ยกามอุเบขาผวังหกอเบขาทันตีสอกับมหายบากอุเบขา4ถ้าดูภูมิก็คือได้เท่าไหร่เนี่ยกามาภูมิ11ใช่ไหมกามาภูมิ11 ลองแยกให้ละเอียดที่ไการมุมสิบเอ็ดเนะี่ยแยกยังไงอุเบกขาสันติระณะกุศลวิบากหนึ่งปฏิสนธฑที่ในไบยภูมิ4ี่ในสี่ภูมิไปแล้วอุเบกขาสันติรณะกุศลหนึ่งกุศลวิบากหนึ่งปฏิสนธฑ ท, ท, ที่ในมนุษย์หรือเทวดาที่บาใบาบอดหงกนี่ส่วนมหาวิบากอุเบกขาสปฏิสนธฑในการมสุขติภูมิ7รวมแล้วเป็นการมาภูมิ11บเอคนแยกออกไหมนี่คือตัวตั ว, ต, วตัวผาวางของเขา ก็พวนเปี้ยนอยู่ในกาลมาภูมิ11นี่แหละไม่ได้ไปไหนนี่เป็นไงองค์ทำปรมัตภวังแรกภวังหลังกามอุเบขาภวังหกว่าไปแล้ววิถีจิตก็คือมโนโหนึ่งแล้วก็โทสะเชวาหน้อีกสองเป็นสาอารมณ์ล่ะตองแรกภวังหลังไม่มีอะไรวิถีจิตทั้งหมดเกิดขึ้นต่อจากจากขูทวาริกาอติมันตาโวิถีก็มีอารมณ์ที่เป็นอติภูตารมวิถีที่เป็นอติตทะรูปารมณ์ ที่เป็นอดีตหรือรูปอารมณ์ที่ดีเลิศที่เคยปรากฏมาแล้วในวิถีประเภทที่สีนี่อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีอย่างยิ่งอารมณ์ดีแต่โทสะเกิดดีไหมยมดุยดีไม่ดีอารมณ์นี่ดีใช่ไหมแต่โทสะเกิดนี่ดีไหมดีไม่ดีไม่ดียกตัวอย่างที่นี่อ้าวพระกาลังสวดมนต์เออไม่ใช่เหมือนเห็นพระเดินมาเนี่ยอารมณ์ดีนั่นแต่ไม่พอใจนี่ในกลุ่มพวกนี้แต่บุคคลนั้นปฏิเสีโด้วยเบิกขาแต่ไม่พอใจ เรามีโอกาสเกิดได้ไหมต้องดูว่าเราปฏิสนธิด้วยอุเบกขาไหมถึงไม่ไม่อุเบกขาก็ได้งั้ย น, นีย่แต่ว่าเรามีโอกาสโกรดแต่โกรธเนี่ยล้มที่ดีนี่คือประเภทที่สี่ต่อไปประเภทที่ห้าประเภทที่ห้านี่มีอาคารตุกะผวังนะประเภทที่หมีอาคารดุกะผวังตีตักนาวิถีว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหร่เนี่ยคือได้บุคคลเท่าไหร่เนี่ยเอเอไม่ใช่มั้งเนี่ยเออได้บุคคลสี่นะทวีเหตุุกะบุคคล ติเหตุกับปุถุชนโสดาบันแล้วก็สกาทาคาอริยผลต้องต่ํสองเว้นผ้านาคากับผ้ารหันไม่ได้เพราะโทสะชนนะส่วนทุคติสุขติไม่ได้เพราะในที่นี้เป็นกามสมภวังสีใช่ไหมจึงไม่ได้ตรงนั้น ก, ก็แยกกันออกไปต่อมาสมูหะฆนาวิถีอีก5ประเภทเหมือนกันไหมสมูหะฆนาวิถีประเภทที่หนึ่ง เหมือนการตีตาคข้าวิธีประเภทที่หนึ่งไหเหมือนนะประเภทที่สองเหมือนการตีตาคข้าวิธีประเภทที่สองไหประเภทที่สมเหมือนการตีตาคข้าวิธีประเภทที่สามไหมเหมือนไม่เหมือนประเภทที่สี่เหมือนกัารตีตาคข้าวิธีประเภทที่สี่ไหเหมือนนะประเภทที่ห้าเหมือนกัารตีตาคข้าวิธีประเภทที่ห้าไหเหมือนไม่เหมือนเหมือนอะต่อไปดูอัดถักข้วิถีอัดทักข้าววิถี ในอัฏฐคัณวิถีประเภทที่หนึ่งเหมือนกันกันกบอติตคัณวิถีประเภทที่หนึ่งไหมเหมือนไม่เหมือนประเภทที่หนึ่งเป็นปัญจาโวกาลผะวังสิบห้าเนอะเห็นเห็นยังใช่ไหมปัญจโวกาลผะวังสิบห้านั่นแหละจะคล้ายๆกันนั่นแต่ไปเหมือนเลยทีเดียวก็ไม่ได้อันนี้ได้การมาเฉลนะเท่าไหร่การมาเนะายี่หกเว้นโทศากับเว้นหสิทําไมหาสิตุปาถ้าจิตไม่เกิดทําวิถีนี้รับอะไรเป็นอารมณ์ รับอัฏฐบัญญัตในยมตัวในในหน้าสี่เนี่ยวิธีอัฏฐคณะวิธี3ประเภทเนี่ยประเภท1เนี่ยประเภทที่1เนี่ยวิธีนี้รับอัฏฐบัญญัติเป็นอารมณ์หัสิโุปาถ้าจิตจึงไม่เกิดแต่เกิดในปัญจโวกาละได้ปัญญโวการละผวังสิบหนีกาเมภูมิ11บเอรูปภูมิอีก15บห้เวนัสัญญาส่วนวิธีประเภทที่2กาเมอบเบขาผวังหกมโนหนึ่งกามชาวนะ29โทสะเออไม่ใช่ โทสะชาวนะยังไม่ใช่การเมตต์เป็นโทสะชาวนะสองแล้วก็ลงกามตต์ผ่องหวิธีนี้รับอะไรเนี่ยรับอารมณ์ได้กี่ชนิดอารมณ์กี่ชนิดอันนี้อารมณ์ดียิ่งนะเนี่ยว่าไหมอารมณ์ดียิ่งนะเนี่ยแต่ว่าอาคารดุกรรับผ่องไม่เกิดทําไมไม่เกิดเพราะปฏิทินที่ด้วยกามอุเบขาผ่องเนี่ยนะดูประเภทที่สประเภทที่สมีอาคารดุกรรับผ่องนี่การสมมณฑ์ผวังสี เป็นโทสะชาวนาแล้วก็ลงอาคารดุกะพวังห้าห้นี่รู้ทันทีว่าเป็นวิถีอะไร อ, ต, ต, รอติวิภูตารลมวิถีอติวิภูตารลมรับรูปารลมที่เป็นอติอิทารูปารลมเนะ่ชนิดเดียวนามคณ า, าวิถีก็มีเท่าไหรนะ่เนี่ยมีสาสเหมือนกันกันกบอัถธาคณาไหมเหมือนเลยเหมือนอัถธาคณาวิถีเลยในะการกําหนดอะไรต่างๆไม่แตกต่างกันเอาต่อไปมาดูสรุปสรุปในหน้าที่19 เมื <necessary. S 2> ่อกี้ที่อ่านกันไปนี่แต่ถ้านุวัติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถีเนี่ยแต่ถ้านุวัติกะมโนทวารวิถีเป็นการมชเน้มโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงมีสวิถีอตีตักข้าววิถีสมูหักข้าววิถีอัดทักข้วิถีแล้วก็นามากข้าววิถีอย่างเงี้ยถ้าเกิดต่อจากจากขูทวารวิถีนี่เป็นอย่างนี้คานาทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายทวารวิถี วิถีเกิดเป็นลำดับดังนี้ลำดับไหนอตีตักข้านวิถีสมูหักข้านวิถีอัฐหัข้วิถีนามัคข้านวิถีถ้าเกิดต่อจากโสตทวายวิถีวิถีก็จะเป็นไปดังนี้ถ้าดูโสตา์เนีอตีตักข้านวิถีสมูหักข้านวิถีนามัคข้วิถีแล้วก็อัฐหัข้วิถีเออถ้าเกิดทางโสตทวายวิถีนี่นามัคข้านวิถีเกิดก่อนอัฐหคข้านวิถีเช่นคำพูดเนี่ย ลำดับแรกเวลาเสียงที่พูดใช่ไหมในขณะที่เสียงที่พูดเนี่ยจากขุโสตาทวาริกะอติมหันตารมวิถีเกิดหลังจากนั้นอะไรเกิดต่ออตีตักคานาวิถีใช่ไหมถ้าเสียงนั้นมีหลายพยางค์ขึ้นไปก็เป็นสมูหักคณวิถีแล้วก็เป็นนมามมักเลยรู้เลยในตถานุวัติกมโนทวารวิถีถ้าเกิดต่อจากทางจากขุทวาริกะอติมหันตารมวิถี เรียงตามลำดับเลยอตตตักขณวิธีสมูหะขณวิธีอัฐถักขณวิถีและก็นามมักขณวิถีถ้าต่อจากโสตทวารวิถีอ่ะก็อตีตักขณวิถีเกิดก่อนต่อมาคือสมูหะขณวิถีต่อมาเป็นนามมักเลยนามมักคณวิถีเป็นวิถีที่สเลยเอ๊ะทําไมยังเป็นแบบนี้วิถีสี่เป็นอัฐถักขณวิถีเออทาไมยังเป็นอย่างนี้รู้ไหมเสียงที่เปล่งพูดเนี่ยเออยังคําว่าอย่างคําว่าหนังสือเล่มหนึ่งคําคเนี้นะ หนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคำพูดนั้นเข้าสู่ครองของสโสตทวาริกะอติมันตะรมิถีนะถ้าคําพูดนี้แรงรู้ว่ชัดนี้เป็นต้นพอจักขู่ทศโสตทวาริกาอติมันตะรมิถีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับยังไหมรับอะไรรับคําพูดที่บอกว่าหนังสือเล่ม น, นี้อย่างนี้เป็นคําพูดที่หลายคำนี่คำนี้หนังสือเล่มนี้นี่คําำนี้นคำหลายคำนี้พอสโสตทวาริกะอติมันตรมิถีเกิด ต่อมาก็คืออติตักข้าวิถีรับอดีตสัทธารมใช่ไหมก็สลับงั้นเนี่ยต่อมาคือสมูหักรวบรวมเลยไหรวบรวมคำอะรวบรวมคําว่าหนังคําว่าสือเล่มนี้ใช่ไหมรวบรวมคํำแาเนี้ยลักษณะอย่างนี้น้อยหรือมากอยู่ที่ว่าคําพูดนั้นน่ะต้องรวบรวมมากแค่ไหนพอบอกหนังสือเล่มนี้เนี่ยคำคำเนี้ยชื่อหรือนามเนี่ยปรากฏก่อนเนี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 คำคำเดียวเนี่ยสมูหะเกิดไหมสมูหะคณวิถีจะเกิดไหมอย่างคำว่าไปหรือคําว่ามาคําคําเดียวเนี่ยยังถัวต้องรวบรวมไหมถ้าหนึ่งคำเนี่ยต้องรวมไหมนี่สมูหะไม่เกิดต้องสองคำขึ้นไปนี่เป็นงนี้ในที่นี้ท่านบอกว่าแสดงภาพแตธานนวติกามโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีโดยจักขูทวาริกจักขูทวารวิถีขึ้นแสดงเป็นตัวอย่างนะนี่ท่านแสดงเป็นตัวอย่างอย่างนี้ รำดับแรกก็คือว่าปัจจุบันรูปารมณ์เนี่ยนะในปัญจทวารวิถีเนี่ยอติมหันตารมวิถีตถารรมนาวาระอติมหันตารมวิถีตถารมนาวาระนี่ น, นะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วดับในวิถีนี้รับอารมณ์สามชนิดอติอิทธรูปอารมณ์อิทธมัจฉาตารูปอารมณ์แล้วก็ อ, อนิถารูปอารมณ์ในรูปอารมณ์สามชนิดต่อจากจากขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีตถารมนาดับลงแล้วเนี่ยอะไรเกิดต่อวิถีไหน วิถีอะไรเกิดตอ่อฮะวิธีอะไรเนี่ยในหน้าที่สิเกเนี่ยวิธีอะไรฮะยัมเซเลวิธีอะไรโอ้เพิ่นตะแล้วเพินตะแล้วมาเชตวิธีไหนเอออตีตักข้าววิถีพออตีตักข้าววิถีเกิดต่อจากจากขุทวาริกาตีมหันตระมิถีแล้วก็สมูหัก้าววิถีด้วยก็แปลว่าเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกันนั่นเองแล้วก็มาอะไรอัฐถกนามกรับอัฐาบัญญัติกับนามบัญญัติเหมือนกันไหม เหมือนกันโทสะเว้นออกไปหาสิเว้นออกไ ป, อ, อ, กไปอัฏฐกนามักใส่กามมพวังก็ออไม่ใช่ในที่สองนี้ใส่รูปพวังห้าแล้วก็กามมะพะวังสิบนะเป็นสิบห้านิธีนี้ใส่สิบส่วนสองอติมหมันตาลมวิถีแตทารำนาวาละที่มีอารมณ์เป็นอิทธามชะตะหรืออ น, นิธารูปารมอันนี้เป็นกามมะพะวังสิบเนอะโทส่าชาวนะ ตถาอเบขาตถารรมนะหเพรารับอารมณ์สองชนิดนี่มาย้ำอย่างเดิมนะย้ำของเดิมนะแล้วก็อติตักข้าววิถีกับสมุหักข้าววิถีก็ต้องเป็นการมะโพวงสิบมโนหนึ่งการโทรส่าโชนะสองตถารรมนะหกหกคือเบขาสองกับมหม า, าอีบากเบขาสรับอารมณ์กี่ชนิดอติ อ, อ, อีธามชะตะกับกับอะไรหรืออนิทะรูปารมณ์แล้วก็ ไปไหนเนี่ยตรงนี้เราไปนะคื อ, คอเข้าใจอะไรตรงนี้นะให้มองตรงนั้นว่าการมะผวง 10, ังสิบคือเบขาสองกับมหาวิบากแปดใช่ไหมในสิบเนี่ยเวลามาเป็นอัฏฐคณาวิถีกำนามมากนี่ยเป็นกามะอุเบขาผวังหกนั่นหนึ่งวิถีใช่ไหมแล้วมาแยกออกเป็นการมะโสมนัสอีกสี่ที่เหลือไงผวังที่เหลือใช่ไหม ก็มาเป็นวิถีนี้เป็นโทสายโชนาเหมือนกันที่จริงที่จริงที่กามเมาเบคขาประวังหกเนี่ยเอา้าีมันดีดมาหลายครั้งหนึง่งนี่นะเกิดขึ้นในลักษณะว่าในสายของอติมหันตารมวิถีตถาธรรมณวาระเนี่ยในวิถีที่สองเนี่ยที่อารมณ์สองชนิดเนี่ยนะอารมณ์สองชนิดที่เป็นอิทธามชชะตาหรืออนิธาเนี่ย พอตีตากขณวิถีสมูหักขณวิถีที่เกิดต่ออารมณ์งั้นก็ยังจัดเป็น2ชนิดอยู่แต่พอมาเป็นนามมาักอัฐถักขณวิถีกับนามมาักขณวิถีเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีอาคารตุกัดผวังไอ้ชานะที่ไม่มีอาคารตุกัดผู้วางเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์อารมณ์2ชนิดอยู่แต่ถ้าหากเป็นชานะที่มีอาคารตุกัดผู้วางเนี่ยอารมณ์เหลือกี่ชนิดรูปอารมณ์นั้นเหลือชนิดเดียว มองออกหมมาทีไม่ใช่ที่มีอาคารตุกกับผวังนะอารมณ์จะเป็สองชนิดได้ไงละ่ะรูปารมณ์ที่เป็นอติอิธะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจสอดูอยูงเข้าใจว่าที่มันมีอาคารถูกาากาาับไม่มีเป็นเพราะว่าตรงตรงอันช่อ ง, ง, งที่สองนี้เขาไมีแตถาเขาไม่มีแตถาเพราะเต้องมาดูว่าเขาเกิดเกิดจากมูลผวังไหนอเดี๋ยวไปเน้นทีอย่าไปเข้าใจงั้นเนี่ย อารมณ์สองจะไป ม, มีอาครัวการฟังได้ไงหรอถ้าหากว่ามันเป็นอ้าวอว่าไปว่าไปว่าไปว่าไปแล้วทำไมอันนี้เขึงเออไม่ต้องไปทำไมหรอกอารมณ์ได้ชนิดเดียวได้สภาวะเดียวคืออติอิทะรู้ารมณ์แล้วทไมเขาเาไล่เาไล่มากันเดิมะไมเาไม่ต้องเขียนใหม่อ้าไม่ต้องไปเขียนใหม่หรอกแต่ก็ให้รู้ไงว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันดียิ่ง ถึงเขาไม่ไล่มาเนี่ยก็ให้เข้าใจเถอะออกออกนะถ้าหากว่าอารมณ์เนี่นะอ๋อขอโทษทีตรงนี้หนึ่งแม่เดี๋ยวเจอไปทำให้โยมสุรีไว้ฝีเออเออเออเข้าใจเข้าใจอาคารถุกกระพวงมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีหกนี่หมายถึงวิภูตารมหรืออติภูตารม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 ถ้าเป็นอติวิภูตารลมนั้นน่ะรูปารม์จะต้องเอออารมณ์นั้นจะต้องเป็นอติอิทธรูปอารมณ์หรืออติวิภูตารลมในที่นี้ต้องเป็นอติวิภูตารลมรูปอารม์นั้นเนื้อต้องเป็นอติวิภูตารมเนื้อทำไมจํากัดอย่างงั้นถ้าหากอารมณ์เป็นอย่างอื่นเช่นอารมณ์เป็นอิถามชตะหรืออนิธาเอาก็ไม่จําเป็นเนี่ยอาคารดุการผูวังจะต้องมาอ่อไหมไม่จําเป็นต้องมีอาคารตุการผวังแล้วเพราะบุคคลนั้น การรับอารมณ์นั้นไม่ได้จำกัดแล้วไม่เหมือนกันกับวิภูตารม์เนอะใจใจบุรีมอคิดว่าช่องอัคคมาวิศีกับน้ำมาวิีเนี่ยเา้อัคคบัติกับนบิเนยต้องนื่องยสารหรอ๋อแต่ในที่นี้มันเป็นเช่นนั้นแะฉะนั้นเขาจึงจำกัดอารมณ์ไว้อย่างนั้นนั่นแหละแต่แท้จริงคือตถาลาภน้ำไม่เกิดอยู่แล้วใช่ไหมตถาลาภน้ำไม่เกิดอยู่แล้วเนี่ยจริงๆคื อ, อยังไงแต่ว่าจริงๆเด็กใน ย, าย่าใน ย, าย่าอธิบายอ่ะ ในยะการทำวาข้าใจต้องต้องเป็นเช่นนั้นมองมองออกมาอย่างเงี้ยออกับมาโย่าวิธีเนี้ยที่โยว่าคำว่ามีทุกข์กับไม่ดีเนียเกี่ยวกับตรงตถาตรงนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้โยงถึงว่าอารมณ์เพราะว่าในวิธีของตถาทามรรคเนี่ยเขาใช้อัตบัญญัติแต่น้ำวายน ให้สังเกตดูที่ว่าทําไมไม่ใส่อาันรดุกับผวังห้าไม่ใช่อติวิภูตารมวิถีตตเป็นวิภูตารมวิถีในสูตรของวิภูตารมวิถีกับมหันตารมวิถีใช้สูตรเดียวกันในการหาอาการดุกับผวังอารมณ์ไม่จํากัดอารมณ์สามชนิดเป็นปจัจจัยเกิดอาการดุกับผวังได้แต่ถ้าหากอาติวิภูตารมแล้วใช้สูตรเดียวกันกับอติมหันตารมอารมณ์นั้นจะต้องเป็นอติอิทธหรืออติวิภูตารมเนี่ย ถ้าวิภูตารลมเขาไม่ได้จําก right. so yeah. uh, ัดอาคารด้กับระวังเขาไม่ได้จํากัดนี่วิภูตารลมวิถีเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าอารมณ์จะเป็นสภาวะอติอิทธะอิทะมชตะหรืออนิถะไม่ไม่ได้จํากัดอารมณ์เช่นนั้นก็ศึกษาตามสูตรไปเนี่ยส่วนปฐมมหันตารลมวิถีจริงๆตรงนี้แหละที่ท่านเชื่อมโยงลงมาข้างล่างเนี่ยหมายถึงเกินเกิดต่อจากมหันตารลมวิถีนะไอ้ขี่คําว่า อาคารตุกขาวังหกเนี่ยใช่ไหมจะเกิดต่อจากมหันตารม์นะแต่ว่าจริงๆในที่เนี้ยเห็นไหมที่ท่านเชื่อมโยงมาตรงเนี้ยก็ให้เข้าใจว่าปฐมมหันตารม์วิถีทุติยามมหันตารมณวิถีที่มีอารมณ์สามชนิดเนี่ยทางนี้ชัดเลยเนี่ยชาวน้าไม่มีอาคารตุกขาพวังเนื้อเกิดต่อที่เป็นอตีตักคณวิถีกับสมูหักขวิถีกามชาวนาเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเว้นโทษาสองเป็นรูปพวังห้าแล้วก็การ ม, มาพวังสิบเห็นไหม พอมานำอัฏฐคันนาวิถีกับนา ม, มาคันนวิถีเนี่ยไอ้ที่เป็นตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นอาคารตุกับผวังเลยการมาโสมมนัสผวงังแต่พอในวิถีที่2ที่เขากล่าวไว้เนี่ยไม่มีกามาสมมนัสเนีเป็นการกล่าว ร, รวมเพราะกล่าวรวมอย่างนี้แยกทันทีเลยไหมชี้ขึ้นข้างบนด้วยรูปผวังห้าไปอยู่นูน้นเห็นนะมาดูชี้เห็นนกะการมวาวังสิบในจริงจริแล้วมันเชื่อมไปต่อตรงนู้นโดยสูตรของเขาอจากนี้ไปนูน้นว่างานในสูตรของเขา เพราะตรงนี้เป็นรูปผวังห้าการผวังสนะิบหจึงไปเป็นอตีตักคณาวิถีกับนามคขณาวิถีที่เป็นชาวนาวาัลาไม่มีอคันดุกัะผวังการมาชาวนายี่สเว้นโทส่าสเว้นหัสีในขณะที่เป็นอตีตัคขณาวิถีกับสมูหาขณาวิถียังไม่ได้เว้นนะไม่เวน้นไม่เว้นหสีเพราะยังมีปรามาสเป็นอารมณ์ได้อยู่แต่เพราะมีอัตตบัญญัตินามะบัญญัติเป็นอารมณ์เว้นหสีตุปาถจิตออกไปโทส่านั้นเว้นโดยประเภทของเขาอยู่แล้ว มองเห็นไว้เนี่ยเห็นยากกันเนะ่ยเห็นยากเหมือนกันนี่เป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเช่นนี้มีใครสงสัยอะไรไหมหรือบางคนบอกเหม่มาเชื่อมโยงอย่างนี้เลยทําให้งงใครคิดอย่างนั้นบ้างนม่ไม่งงนะฮะจริงๆเป็นเป็นเป็นการสรุปนั่นเองเป็นการสรุปเป็นการกล่าวสรุปเป็นการกล่าวสรุปรวมแต่สรุปไปสรุปมาบางคนบอกให้งงเลยกงวานเลยเลยให้งงหลอกดูที่เป็นเลย ในหน้าที่ห้าห้าสิบเก้านี่ยนะมโนทวารลวิถีหมายความว่าการเกิดขึ้นโดยลําดับติดต่อกันเป็นแถวของจิตเจรสิกทางใจมีห้าสิบสองวิถีกามชาณนะมโนทวารลวิถีสี่สิบห้าอปนาชาณนะสัจเจตกามชาณนะมโนทวารลวิถีเนี่ยเป็นมโนทวารวที่เกิดที่มีกามชาณนะจิตเป็นประธานสี่สิบห้าคือ แต่ท่านนวัติกามมโนทวารวิถีหรือนุพันธกะมโนทวาวิถี4วิถีที่เรากําลังเรียนกันอยู่นี่นะใน4วิถีนั่นคือ1นึอติตักนาวิถีเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รับอติวิภูตาวิภูตะปัญจารมณที่เป็นอดีตมองไหมเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รับอติวิภูตาเอาวิภูตะปัญจารม์ที่เป็นอดีต ปัญจารมพรอมาปรากฏทางมโนทวารนั้นถ้าปัญจารมนั้นมาจากสายอาติมหันตารมณ์วิถีปัญจารมนั้นเลยเรียกว่าอาติวิภูตะปัญจารมที่เป็นอดีตคืออดีตปัญจารมที่ปรากฏชัดทางใจมากในทางใจหรือวิภูตะปัญจารมที่เป็นอดีตคืออดีตปัญจารมที่ปรากฏชัดในทางใจที่เกิดขึ้นต่อจากปัญจทวารวิถีมันแล้วว่าจะมันแล้วแต่ว่าจะรับอารมณ์อะไรใช่ไม รับอารมณ์ประเภทแรงมาก็แรงต่อประเภทนั้นน่ะชัดมาก็ชัดต่องี้ยน่ะส่วนสมูหักขนวิถีเป็นวิถีทีท่ทําหน้าที่รวบรวมทุกๆส่วนของอติวิภูตะปัญจารมณ์ที่เป็นอดีตถ้าใช้ศัพท์นี้เนะี่ยพูดแล้วเข้าใจไหมเนี่ยอติวิภูตะปัญจารมณ์ที่เป็นอดีตหรือวิภูตะปัญจารมณ์ที่เป็นอดีตไม่ใช่อารมณ์หเนอะในที่นี้นะ่ยอติวิภูตาอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์6แต่เป็นอติวิภูตะปัญจารมณ์ หรือวิภูตะปัญจารมที่เป็นอดีตที่เคยเกิดขึ้นต่อต่อจากอตติตะขณวิถีนี่เป็นสมุหะเขามีนะที่รวบรวมอย่างเดียวตรงนี้โดยโดยสูตรตรงนี้ก็คือต้องจำเลยใช่ไหมเนี่ยทำความเข้าใจกันแล้วกันส่วนอัฐอัฐในที่นี้ย้มตัวดูด้วยที่สามเนี่ยเป็นวิถีที่มีหน้าที่รับรูปร่างสันฐานซึ่งเป็นที่ตั้งของปัญจรมเนี่ยเป็นอัฐาบัญญัติที่เกิดขึ้นต่อจากสมุหะคณวิถี ประการที่สี่คือว่านามะคณวิถีในนามะคณวิถีเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รับชื่อของรูปร่างสันฐานนั้นๆั้นว่ารูปร่างสันฐานนั้นนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรอย่างย่อตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกล่องอะไรกล่องเทพเลยไหมกล่องเทพเนี่ยการที่รู้ว่ากล่องเทพเนี่เป็เเนนามะคณวิถีเห็นสันฐานเข้าใจสันฐานของกล่องเทพเป็นอัฐาคณวิถีมีไปนี้ ก็ชาวโลกเขาเรียกอะไรกันก็รู้ไปตามนั้นนี่เป็นนมามะคณาวิธีเนี่ยตามสมควรแก่ บ, บัญญัติหรือชื่อต่างๆเอางี้ถ้าคนดูแล้วอย่างเด็กเนี่ยเด็กเกิดใหม่ๆดูเนี่ยอย่างนี้นม า, ามนมะคณาวิธีต้องเด็กๆเน่ยที่เขาเพิ่งเกิดใหม่ก็เพิ่งไม่มีใครบอกเขาเลยว่ามีชื่อว่าอะไร <Yeah. S 1> เกิดไหมอย่างนี้นมามะคณาวิถีไม่หรเพราะเขาไม่รู้บัญญัติทางโลกบัญญัติชาวโลกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่านามเนี่ย นามัคคณาวิถีจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็อยู่ตรงว่าท่านผู้นั้นรู้ข้อบัญญัติของชาวโลกที่เขาใช้กันไว้ยิงต่างชาติกันแล้วหมดเสร็จเลยใช่ไหมบางทีไม่รู้เรื่องเหรเรียกชื่ อ, อคนละอย่างก็นามัคของเขาก็ไม่เกิดบางทีเราพูดกับเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนามัคก็ไม่เกิดบางทีอัดถักเกินเนอะพยายามบอกรูปล่างสื่อานบอกอะไรเนี่ยเขก็เข้าใจแค่อัดทักคณวิธีแต่นามัคคณาวิธีไม่เกิด มองเห็นใช่ไหมเนี่ยเป็นยังไงแต่ท่าน ว, าานวยวัตถิกามโนเทวะวิถีสี่วิถีนั่นว่าโดยประเภทมีเท่าไหร่สิบหกประเภทว่าโดยเนี่ยที่ในเนี่ยเข้ามาแยกเป็นห้าเนี่ยแต่ในหลักเนี่ยมันมันสิบหกประเภทเป็นสิบหกพอดีนะอืมเออลองดูทีครบไหมอะ่ะอตีตาข้าณาวิถีห้าประเภทสมูหะข้าณาวิถีอีกห้าเป็นสิบแล้วก็อัฐถาข้าณาวิถีอีกสามนา ม, มักอีกสาม รวมเป็นสิบหกประเภทนะนี่ให้เข้าใจในสิบหกประเภทก็เลยมารวมอยู่ในหน้าที่สิบเก้าเลย <c oughs> แท้จริงเรียนมาแล้วก็ <c oughs> ามารวมกันตรงนี้ไปก็งงก็ว่าง้นดูแล้วงงเลยทีนี้เวลามาแยกตามที่เขาแยกเขาไว้เนี่ยอธิตาขณะวิถีที่เป็นตถาลาวนาที่มีการประชานายี่สิบเจ็ดเว้นโทศาสชาวนาสองต้องดูทีต้องดูทีตรงไหมในเภทแรกตรงม เว้นโทรศ์ชาวนาสองเนี่ยทำไมไม่ตรงใช่ไตรงนะาาน่ยตีตกักคณวิถีอ่ะอตีตักคณวิถีที่เป็นแต่ทาลำหน้าวาระอาาี่เป็นแต่ทาลำหน้าวาระทีท่ทเป็นโทรศชานาสองอ่ะเห็นไหมทีาา่สอง่ะอตีตักเห็นแล้วใช่ไหอาาสอตีตักคณะวิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอาการตกาพวง์ที่เป็นการมาชาวนา27เว้นโทรศทชานาสองที่เกิดใน รูปภูมิ15เว้นอสัญญาสัตภูมิซึ่งเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากอติมหันตารมวิถีหรือมหันตารมวิถีทั้งสองเนี่ยแต่ถ้าเป็นวิถีที่เกิดในการภูมิสุเอตต้องเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากมหันตารมวิถีอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นชาวนาวราไม่มีอาการตุกัดรวังและไม่เป็นแต่ธารมนาวระมองเห็นไหมไอตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเพศที่สมเนี่ยหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นไหมเพศที่สามไหมเอาลองดูว่อตีตาข้าวิถีเพศที่3ดิอติตาข้าวิถีเพทที่สามะ อันนี้ถ้าดูไม่เข้าใจดูหน้าที่11หรือหน้าที่17เดนี่ยดูเพศที่สาเห็นไหมรูปผวังกับกามววังสิบกามว่าชาวนะ27เว้นโทสาสองน่ยนั่นแหละท่านบอกว่าไงที่เกิดในรูปภูมิ15เว้นอสัญญาซึ่งวิถีที่เกิดต่อจากอติมันตารมวิถีหรือมหันตารมวิถีทั้งสองแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นวิถีที่เกิดในกามภูมิ11ต้องเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากมันตารมวิถีอย่างเดียวเท่านั้น ยิงจะเป็นชาวนาวระไม่มีอ า, าการดุกะระวังได้เพราะอะไรละ่ะถ้าหากเกิดต่อจากอติมหันตารมวิถีต้องเป็นตถาเราหน้าวราใช่ไหมเพราะในที่นี้เขาเน้นวราะระเลยเน้นชาวนาวรามหมายนุชิตลองตั้งวิถีที่เป็นต่อจากจักขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีดูทีถ้าต่อมาป้อมมันจะเป็นอติวิภูตารมวิถีถ้าติภูตารมวิถีเป็นไงแตถาเรหน้าต้องมาไหมเนี่ยใส่ไม่ได้เวทีสามเนี่ย จึงเอาเฉพาะเกิดต่อจากมหันตารมวิถีซึ่งเป็นวิภูตารมวิถีเท่านั้นใช่ไหมต้องมองให้เห็นตรงเนี้ยต้องมองเห็นตรงนั้นต้องเป็นภูตารมวิถีเท่านั้นเพราะถ้าเป็นอติมหันตารมวิถีนี่ตถามาอีกแล้วตถาธรรมนามาอีกแล้วใช่ไหมตถาธรรมนามาอาถ้าตถาธรรมนามาไม่ได้สิทําไมไม่ได้เพราะในนี้เขาเน้นพระเวทีสามเน้นเฉวนาวะละออใช่ถ้าหากว่าเป็นอติวิภูตารมวิถีมาเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลย เสื้อนเพทที่สี่อติตัณาวิถีที่เป็นชาวนาวัละไม่มีอาการดุกะวังที่เป็นโทส่าชาวนาที่เกิดในกามภูมิสิบเอ็ดเนี่ยนะท่านเน้นบอกเป็นชาวนาวาละด้วยก็ต้องเป็นกามอุเบขาผู้วังนี่เลยหกนี่เลยอารมณ์เป็นยังไงเนี่ยอารมณ์กี่ชนิดเนี่ยอารมณ์กี่ชนิดนาะอารมณ์กี่ชนิดดีไม่มีอาคันตุกาไม่มีอารมณ์กี่ชนิดอารมณ์เป็นอัติเป็นอัติ เป็นอติวิภูตารลมถ้าเป็นอติวิภูตารมวิถีนะฮะอาทำไมล่ะปฏิสนธิโดยอุเบขาใช่ไหมอ่าดูสมูหักคณาวิถีต่อสมูหัคณาวิถีมีกี่เพศเนี่ยตาทารำนาวาระอืมที่เป็นกรรมเฉาหน้าเจ็ดเว้นโทศาสองสมูหักคณาวิถีที่เป็นตาทารำนาที่เป็นโทศาโชนาสองปก็คือสมูหัคณาวิถีที่เป็นชฉาหน้าวาระไม่มีอาการเต็มกวลังที่เป็นการมเฉาหน้าหยิบเจ็เว้นโทศาโชนาสองที่เกิด ในรูปภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิซึ่งเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากอติมหันตารมวิถีหรือมหันตารมวิถีได้ทั้งสองแต่ถ้าเป็นวิถีที่เกิดในกามภูมิ11ต้องเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากมหันตารมวิถีอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกันกับอตีตคะนาวิถี9คือสมุหะคณาวิถีที่เป็นชาวนาวลามีอาการตกกระวังที่เป็นโทสะชาวนาสองที่เกิดในกามภูมิเออตรงนี้ต้องต้องอย่างนี้ เวลาเวลาพูดเร็วๆอย่างนี้มันนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกอยนีย้ออกไหมไม่ออกใช่ไหมเอาดูสมูหะคันนวิธีประเภทที่หนึ่งหน้าที่สิบเจ็ดเนี่ยกาเมชชาวหน้ายี่เจ็ดเว้นตัวศาสสองเห็นไม้มเห็นไม่มหน้าที่สิบเจ็ดในแผ่นชีตเนี่ยดูตามที่ดูตามหน่อยพอประเภทที่สองเป็นโทศาสโชนะแต่ทาลับหน้เป็นอุเบขานี่ก็เห็นแล้นะอ่ะประเภทที่สองนี่มี ม, มีอาันรตกกระวังไหมมีไม่มีไม่มีนะ ประเภทที่สามเป็นอะไรชาวนาวาระเป็นเป็นชาวนาเลยโทสกาเมาชาวนาย่ิบเจ็ดเว้นโทสะใช่หในนี้เป็นอะไรเป็นประเภทที่เกิดในรูปภูมิสิบห้าเวนา้นสันที่เป็นวิธีที่เกิดต่อจากอติมานตารมวิธีหรือมนตารมวิถีแต่ถ้าเป็นวิธีที่เกิดในการภูมิสิบเอ็ดนี่เกิดต่อจากอะไรเกิดต่อจากมานตารมนะก็ไม่ต่างกันใช่ไหมยังรีตามดันใช่ไม่ตรงเนี้ย ส่วนประเภทที่เท่าไรประเภทที่สามนี่ตอนนี้ประเภทที่สามต่อไปประเภทที่4ี่หละเป็นโทส่าเฉวนะไม่มีอาคารดุกัะผวังเกิดในการมระพูม ส, สมุหคณาวิถีแน่เนี่ยกา ม, มาอุเบขาผวังหกถ้าประเภทที่ห้าสุดท้ายนี่เป็นอะไรนะี่ยเป็นมีอาคารตุกัะผวังที่มีโทส่าเฉวนะ2ที่เกิดในการปรสุกติภูมิเจ็ดปฏิินที่ด้วยเบกคาหรือปฏิินที่ด้วยสมอนัท น, นี่นะมองเห็นใช่ไหมแล้วก็มาอะไรเนี่ย อัฐคณวิธีสามประเภทในเนี้ยอัฐคนาวิถีที่เป็นชาวนาละไม่มีอาการตกกลังที่เป็นกาบชาชนายี่สิบหเป็นโทส่าเว้นหสซีที่เกิดในปัญจโวการะพุมิ26นี่เป็นอย่างนี้เกิดในปัญจโวการะพมยีิบหแล้วก็อัฐคณวิถีที่เป็นชาวนาละไม่มีอาการตกกวังที่เป็นโทส่าชาวนา2ที่เกิดในกามภูมิ11แล้วก็อัฐคนาวิธีที่เป็นชาวนาละมีอาการตกกลางที่เป็นโทส่าชาวนา2ที่เกิดในกามสุกติภูมิ7รวมเป็นอัฐัก3ประเภท น้มักมีกี่เภทน้ำมักขณวิถีสามประเภทอีกเหมือนกันก็ตามลําดับอย่างนี้นี่เป็นงี้พอมาตรงนี้ท่านมาสรุปเลยในปันทวตฐานุวัติกาเนี่ยทีนี้ในภาพวิถีที่เขาเขานั่นมาให้เนี่ยแล้วก็การกําหนดอะไรต่างๆเราเนี้ยนี่จะไม่ยากเลยในการกําหนดที่ว่ามาตามลําดับเนี่ยท่านกําหนดไว้ตามลําดับเปิดมาตามลําดับในใ น, ในจุดจุดนี้ก็เป็นการดู อ, อ, อ, อัตีตรัก สมูหักอักทักแล้วก็น้ำมากเขาวิถีมีมากเลยนะเขาแยกแยก็เยอะเลยนะนั่นละไรก็แยกไปตาม ล, ลักษณะเช่นนั้นทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปแยกตามลำดับดูนิดหนึ่งที่จริงที่จริงในนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะเนี่ยในหลักสูตรเนี่มองมองตรงนี้แล้วเข้าใจหมดแล้วมองตรงนี้เข้าใจหมดมองในชีดนี่ก็เข้าใจแล้วสามารถที่จะกําหนด อะไรต่างๆนี้ได้หมดเลยเนะียถ้าสมมุติให้พวกเราไปกำหนดกันนี่จะลำบากใจไหมเนี่ยให้ไปคิดให้ไปกำหนดอย่างนคนหนังสือถ้าแบบให้กำหนดแบบไม่ต้องคน้นขึ้นบนกระดานแล้วให้กำหนดพบกำหนดภูมิกาหนดอะไรเลยนะคิดว่าลำบากไหมก็บอกโอ้ลาบากเลยว่างี้ยนะิดนึงค่อยๆ ค, ค, คิดไปก็ อ, อย่างนี้ถ้าอ่ะถ้าเปิดเปิดไปอีกหน้ามันหน้าที่ยี่สิบของชีตเนี่ยเนะีย อติมหันตารวิถีชาวนาวระไม่มีอาคารตุกับพวังที่เป็นโทษาชนนะกามั่เบกขาพวังหกไม่มีไม่มี เ, เป็นชวนาวระเนี่ยจะต่อได้ด้วยอะไรต่อได้วิธีอะไรชาวนาวระไม่มีอาคารตุกับพวังกามั่วเบกขาพวังหกโทษาชวนะนี่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอติตาขณวิถีกับกับอะไรกับอะไรในหน้าที่ยี่สิบสมูหักข้าวิถีใช่ไหมส่วนชวนาวราไม่มีอาคารตุกับพระวังที่ไปอีกอย่างนี้นั่นเป็น อัดทักขนาวิถีกับนามมะขานาวิถีก็ก็แยกไปอย่างนี้เห็นใช่ไหมต่อจากอะไรหน้ายี่สิบต่อจากอะไรเห็นไหมเห็นนะมองมองเห็นหมดอย่างตอเนี้ยทีนี้ส่วนในปฐมมหันตารมวิถีทุติยามหันตารมวิถีอันนี้ก็หมายความว่าชนิดตูปารมสามชนิดเหมือนกันที่เป็นโทสาชาวนะปฏิิญสุดด้วยการมเวขาพวังนี่นะอะวิถีที่เกิดต่อก็ต้องเป็นวิภูตารมวิถีไปนะ การมอเบกขาพวังมโนโทสาชนะที่เป็นอติตาคณากับสมุหคณาวิถีไปอีกวิถีหนึ่งก็เป็นนามคณาเอิถอีอัตถา ก, กนามคกวิถีก็ ก, ก, ก็ก็ดูตามเนี้ยอันนี้คือเป็ตีห้ 5. คื อ, อวิถีที่ห้าส่วนอติมหันตารมวิถีชาวนาวราที่มีอากนรุกับพ ว, วงัง อ, อตรงนี้นิสยัยนิสัยอาการุกับพวังเนีถ้าหาก ที่เป็นอติอิธารูปารม์เนี่ยนะในจักรโทวาริกะอติมหันตารมวิถีชาวนาวรามีอาการดวงระวังเป็นโทสาชาวนาอารมณ์ดียิ่งมีอาการดวงวังห้าเวลามาเกิดอติต่คข้วิถีกับสมูหักานาวิถีก็ต้องมีอาันรดกงระวังก็มาจากสาย5้านะอาการุกงรวังห้าเนี่ยเป็นอติภูตารมวิถีอติภูตารมิแต่ถ้าหากมาต่อจากปฐมมหันตารมวิถีหรือทุติยมหันตารมวิถีอะ อาคารตุกวังทางมหันตารมวิถีก็มีหกเ่็นไหเห็นหกแล้วเป็นโทส่าชาวนาปฏิินที่้วยการมโสมนัสผวังสี่พอวิถีที่เกิดต่อเป็นวิภูตารมวิถีการมาโสมนัสผวังสี่โทส่าชานะแล้วก็อาคารดุกวังได้หกเวขาสองมาวิ่าเวเบกขาสี่มาทําหน้าที่อาคารดุกะผวังแล้ววิภูตารม์นิวิภูตารม์ได้หกถ้ า, าตีวิภูตารม์มีห้า เห็น ไ, ไหก็เกิดต่อจากวิถีอะไรก็ก็แยกตรงนั้นถึงแม้ไปเป็นอัตถคหนวิถีหรือนามมัคคณวิถีก็ยังต้องมีลักษณะการแยกเหมือนกันเหมือนกันเลยว่ามาจากสายไหนมาจากสายมหันตารลมที่เป็นอาคารตุกกาภวังหรือมาสายอาติมหันตารลมที่เป็นอ า, อาคารตุกกาภวังวิถีที่เกิดต่อก็เป็นอติภูตารมหรือวิภูตารมบินไปตามสภาพของ วิธีทางปัญญานั้น